ธรรมบทแปลเรื่องที่หนึ่งยิห้าเรื่องปฐมโพธิการภาคที่ห้าเรื่องที่แดของวรที่สิอชราวักะวันานาข้อความเบื้องตน้นพระสัสดาประทับนั่งนักววงไม้โพธิพฤกษ์ทรงเปล่งอุทานโดยสามารถเบิกบานพระหฤทยัยในสมัยอื่น พระอาณนทยระทูลถามจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอเนกชาติสร้างสร้างรังเป็นต้นตอนทรงกำจัดมาแล้วเปล่งอุทานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแลประทับนั่งนักควงไม้โพธิพฤกษ์เมื่อพระอาทิตย์ยังไม่อัสดงคดเที่ยว ทรงกาจัดมารและพลแห่งมารแล้วในปฐมยามทรงทาลายความมืดที่ปกปิดปบเพนิวาสยานในมชิมยามทรงชำระที่ประจักษุให้หมดจดแล้วในปชิมยามทรงอาศัยความกรุณาในหมู่สัตว์ทรงอย่างพระยาน ล, ลงในปัญญาการแล้วทรงพิจารณาปัจญยาการนั้น โดยสา ม, มารถแห่งอนุโลมปฏิโลมในเวลาอารุณขึ้นส่งบรรลุพระสัมมาสัมพธิญาณพร้อมด้วยอัศจรรย์หลายอย่างเมื่อจะทรงเปล่งอุทานที่พระพุทธเจ้ามิใช่แสนเดียวไม่ส่งละแล้วจึงได้ตรัสพระกาถาเหล่านี้ว่าอเนกจาติสงสรังสั้นทาวิสรงอนิพพิสััง กหการังกเวสันโตดุข้าจาติปุนปุนังกหการะกะดิดโทสีปุณังเยหังนาาหสิสบาเตผ้าสุกาภกากหกูตังวิสังขตังวิสังขาร ะ, ะตังจิตตังตัณหานังขยะมัชขาติ เราแสวงหาช่างผู้ทำเรือนเมื่อไม่ประสบจึงได้ท่องเที่ยวไปสู่สงสารมีชาติเป็นอเนกความเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์แน่นายช่างผู้ทำเรือนเราพบท่านแล้วท่านจะทำเรือนอีกไม่ได้ซี่โครงทุกซี่ของท่านเราหักเสียแล้วยอดเรือนเราก็รื้อเสียแล้ว จิตของเราถึงทำปราศจากเครื่องปรุงแล้วเพราะเราบรรลุธรรมที่สิ้นตัณหาแล้วตอนแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นสองบทว่าคหาการังคเวสันโตความว่าเราเมื่อแสวงหาในช่างคือตัณหาผู้ทาเรือนกล่าวคืออัตภาพนี้ มีอภินิหารอันทำไว้แล้วแทบปาดมูลแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าทีปังกรเพื่อประโยชน์แก่พระญาณอันเป็นเครื่องอาจเห็นในช่างนั้นได้คือพระโพธิญาณเมื่อไม่ประสบไม่พบคือไม่ได้พระญาณ น, นั้นแลจึงท่องเที่ยวคือเร่ร่อนได้แก่วนเวียนไปไปมามา สู่สงสารมีชาติเป็นอนเนกคือสู่สังสารวัตนี้อันนับได้หลายแสนชาติสิ้นการมีประมาณเท่านี้คำว่าทุกขาชาติปุนณปุนังนี้เป็นคำแสดงเหตุแห่งการสแสวงหาช่างผู้ทาเรือนเพราะชื่อว่าชาตินี้คือการเข้าถึงบ่อยๆชื่อว่าเป็นทุกข์ พระภาวะที่เจือด้วยชาราพยาธิและมรณะก็ชาตินั้นเมื่อนายช่างผู้ทําเรือนนั้นอันใครๆไม่พบแล้วย่อมไม่กลับฉะนั้นเราเมื่อสแสวงหานายช่างผู้ทําเรือนจึงได้ท่องเที่ยวไปบทว่าดิโทษสิความว่าบัดนี้เราตรัสรู้พระสัพพัญญุตยาน พบท่านแล้วแน่นอนบทว่าปุณะเคหังความว่าท่านจากทาเรือนของเรากล่าวคืออัตภาพในสังสารวัตนี้อีกไม่ได้บาปพระกาถาวา่าสับบาเตพาสุกาภกาความว่าสิโครงกล่าวคือกิเลสที่เหลือทั้งหมดของท่านเราหักเสร็จแล้ว บาพระคาถาว่ากะหากูตังวิสรงขะตังความว่าถึงมนทนช่อฟ้ากล่าวคืออวิชชาแห่งเรือนคืออัฐภาพที่ท่านสร้างแล้วนี้เราก็รื้อเสียแล้วบาพระคาถาว่าวิสร์ข่าระกะตังจิตตังความว่าบัดนี้จิตของเราถึง คือเข้าไปถึงธรรมปราศจากเครื่องปรุงแต่งแล้วคือพระนิพพานโดยสามารถแห่งอันกระทำให้เป็นอารมณ์บาทประกะถาว่าตันห้านังขยมัชขาความว่าเราบรรลุพระอารหัสต์กล่าวคือธรรมที่สิ้นไปแห่งตัณหาแล้วเรื่องปฐมโพธิการจบ